ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายฉธรทมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องพระสูตรที่เรียกว่าภาระบัณฑิตสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคจเจ้าทรงประรคเองแล้วก็ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย ืรอกรได้พูดถึงประเด็นของคนผ่านโดยรับสั่งว่าที่สุดทั้งหลายการนี้ของคนผ่านผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วประกอบด้วยตัญหาใดเกิดขึ้นแล้ววิชานั้นคนผ่านยังละไม่ได้แต่ตันหานั้นยังไม่สิ้นไป เพนั้นพระเหตุไรเพราะคนผ่านไม่ได้ประพฤติปรุมจันทร์้ความชิ้นทุกข์โดยชอบเหตุนั้นเมื่อตายไปคนผ่านย่อมเข้าถึงกายเมื่อเข้าถึงกายที่ว่าอย่างไม่พ้นจากชาชรามณะโสกะปิเทวทุกโธมัตนนและอุปายะเรากล่าวกล่าวว่ายัางไม่พ้นจาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ก็ส่งแสดงสมุทยัยยศสัตว์กับทุกขสัตย์หมายความวาในตัวคนพา น, นั้นยังกรอบด้วยสมุทัยทั้งหมดในที่นี้ก็สรงยกเอาวิชากับตัญหาในขณะเดียวกันช่วงทุกขสัตย์ก็ส่งยกเอาที่ชรามรนะชาชรามโมรนะ โอกาสพิเทวทุกขโทมนาถุกตายาตหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้โอกาสที่ตายไปแล้วจะตกอบายอบายทั้งสี่คือนิรญาณในรกยิรฉาโยนีครับกำเนิดยิรฉานพิติวิสยาภูมิแห่งเปรตพวกสุรกายพวกสุรกายก็ีโอกาสพิ่มขั้งสูง ซึ่งแน่นอนถ้าเป็นคนพันจริงมันไม่มันไม่ค่อนข้างเราก็าคือมีโอกาสแน่นอนทนี้ในประเด็นของบัณฑิตตอนที่ส่งแสดงครั้งแรก ấy, ก็ความเข้มงอนกันแต่ว่าตอนนี้ก็มาเปลี่ยนแปลงที่ที่สรงช่วงกลางหมายความว่าร่างกายของบัณฑิตก็ เกิดขึ้นมาจากอาวิชชาเหมือนกันแล้วก็มีตันหาอยู่เหมือนกันโดยรับสั่งว่ากายนี้ของบัณฑิตผู้ถูกอวิชชาใดหุ้มห่อแล้วและประกอบด้วยตันหาเกิดขึ้นแล้วอวิชชานั้นบัณฑิตละได้แล้วแล้วก็ ปัญหานั้นสิ้นไปแล้วเพราะนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะบัณฑิตได้ประพฤติพรหมจรรย์ประเด็นของพรหมจรรย์นในแง่ของความเป็นจริงแล้วพูดง่ายๆนะฮะสรุปว่าชีวิตที่เดินไปบนเส้นทางของอริยมรรคมีองค์แปดประการทั้งหมดนั้นก็เป็นพรหมจรรย์ แล้วก็สามารถจำแนกเป็นทานเป็นวยยวัจมัยเป็นสีห้าเป็นสีแปดเป็นพรโมวิหารสีล้วก็เรื่อยไปจนถึงอริยมรรคกับาศาสนาพรมจรรย์ลกล่าวโดยสรุปจะประเด็นง่ายๆว่าอยู่ในกลุ่มของอริยมรรคนั่นแหละ แต่นในพระมหมรกยรผู้เจ้าแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการประพฤติ ป, ปรมจำไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นทั้งหมดนอกจากเพื่อการละากิเลสการสำรวมระวังจิตไม่ให้ถูกครอบงำด้วยอำนาจของกิเลส จุดกิเลสได้จางคลายออกไปจากจิตแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ดับกิเลสได้ไปโดยลำดับการดับกิเลสได้ก็ถึงจุดหนึ่งก็คือสมบูรณ์นะฮะก็หมายถึงนิพพานแต่ว่าในภาคปฏิบัติจริงๆก็ดับไปโดยลำดั บ, ม า, บามากบ้างน้อยบ้างก็ตามสุขควรแก่กำลังความสามารถของบุคคลผู้นั้น วันการประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นข้อใดก็ตามที่จริงเขาเชื่อมโยงกันทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องเดียวกันรืออยจะให้มองตั้งแต่ฐานไปเราคงไม่พูดทุกข้อแล้วนะฮะยกตัวอย่างที่ฐานซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติที่เราคุ้นแล้วก็ทำกันค่อนข้างแพร่หลาย ยังมีคนเป็นจํานวนมากที่มีความรู้สึกว่าการทําบุญก็คือการทาําทานยุดพูดไปว่าทําบุญทําทานไอ้คาว่าทําบุญทําทานอาจจะแปลว่าทําบุญก็คือทาทานโดยาการทําทานนั่นแหละเป็นบุญกิเป็นลักษณะไม่เข้าใจกรอบของคํำบะบุญ เพราะบุญในเชิงของตัวเหตุปฏิบัติการอย่างไรก็ตามที่สามารถลดละกิเลสได้จางคลายลงไปจากจิตใจก็ถือว่าเป็นบุญทั้งนั้นเพระาะการลดของกิเลสทุกระดับมันเพิ่มความสุขลดความทุกข์ให้กิเลสเรายิ่งสูงเท่าไหร่ในความทุกข์เรายิ่งมากขึ้น แต่ ว, ว่ากุศลธรรมเพิ่มขึ้นเท่าไรเนี่ยความสุขเรายิ่งเพิ่มขึ้นความทุกข์ยิ่งลดลงไปดังนั้นกรอบของการปฏิบัติในกรณีของทานเราจะพบว่าทานในกรณีของวัตถุทานมันจะมีองประกอบหลายเรื่องเรื่องธรรมดาแบบธรรมดาธรรมดา มายความว่าสิ่งที่เรานำมาให้แล้วก็ผู้รับในขณะเดียวกันเจิตนาของเราเับาัูวไปแล้วถ้าเราเกลียดคนที่จะรับทานเราก็ไม่ให้หมายความว่า บุศสและเจตนาที่เป็นเหตุให้เราให้ทานจะต้องเกิดจากความรู้สึกที่ดีต่อคนซึ่งเราจะให้อาจจะเป็นเมตตากรุณาอาจจะเป็นเคารพรับถืออาจจะเป็นศรัทธาอาจจะเป็นพักดีแล้ว แ, แต่แล้วในขณะเดียวกันของที่เราจะให้เนี่ยเราไม่สนี แลีวก่อนที่จะให้นั้นจะต้องได้มาในทางทชอบทำผิวน่ะทีนี้เมื่อกล่าวโดยเจตนา ก, ก่อนให้ก็ดีขณะให้ก็ดีหลังจากให้ไปแล้วซึ่งคือว่าช่วงมันยาวมากประมายความมันนึกถึงเมื่อไหร่ต้องมีความสุขใจเมื่อนั้นแต่ถ้าในขณะให้เรารักษาคุณภาพจิตคือมีสตาประส า, านอยู่ได้ แต่หลังจะให้ไปแล้วก็เกิดเสียใจวันก่อนได้ดูข่าวก็มีการเจ้าวาดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอามาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันวนะ่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้รลายเอะะียอแต่ถ้าถามในแง่มุมของกฎหมายว่าเจ้าวาดมีสิทธิ์จะทำไหม เรคิดว่าก่อนจะทำเนี่ยก็คงรายงานถึงเจ้าคณะใหญ่แล้วเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นั้นก็คือการทุกยดีบรรจุอัจิของคนถึงสร้างวัดก็มายความมาสร้างมาร้อยกว่าปีแล้วคนเหล่านั้นก็ตายไปหมดแล้วแต่ทีนี้ในแง่ของการถวายเนี่ย มันเป็นการถวายเด็ดขาดไปให้เป็นสมบัติของระศาสนาเดล๋ยวลูกหลานเลนรุ่นหลังเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นของ บ, บรรดุตัวเองก็เลยเกิดความขัแดแย้งกันเราเคยได้ยินข่าวมาสองสามครั้งแหละนั้นก็แสดงให้เห็นอะไรล่ะแสดงให้เห็นว่าอย่างตรณี สถานีที่อยู่ซึ่งที่จริงได้ให้ไปแล้วแล้วก็เราก็ไม่มีเจตนาในตอนแรกจิตตนาในขณะให้เจตนาหลังให้เดี๋ยวมาเกิดอนุมโมทนาขึ้นทีหลังว่าเป็นสมบัติของบรณฑุรุษท่านสร้างเอาไว้ในฐานะของผู้ทําบุญเนี่ยคิดอย่างนั้นไม่ถูกฟังแต่ในฐานะของเจ้าอาวาสก็ทำอย่างนั้นไม่ควร ว่าจะดีไม่ได้กินพืชที่ใหญ่โตอะไรนะนทำไมจึงต้องไปทุกทำลายมันเป็นการรักษาหมุนชนไว้อย่าให้เกิดวิกฤตแต่ก็ทราบว่ามันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวกันมานานเราก็ไม่เคยรู้หรอกเราเวลานี้วัดบางวัดแต่คนที่เช่าที่วัดบางทีตัวบ้านเองก็เป็นของวัดนะ ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าไม่ใช่ว่าปีสองปียี่สิบสามสิบปีอยู่กันมาจนคนรุ่นที่ทำสัญญาเช่านะ่ตายหมดแล้วเดี๋ยวคนที่อยู่ในตอนหลังนี่ไม่รู้ใครเพราะว่าไม่ได้ติดต่ออะไรกับวัดอะไรนั่นคือความจริงขอแสดงให้เห็นว่าการทำบุญระดับฐานจริงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแม้แต่มันเป็นหน้าที่เราก็ไม่ยอมทกเนื่องจากอะไรเนื่องจากสนีในทรัพย์ตัวเองแล้วก็อยากได้ในทรัพย์คนอื่นแล้วก็จะไล่ก็ไม่ยอมกับเดินขบวนแต่ในขณะเดียวกันสัญญาเช่าก็ไม่ยอมทํา่ายค่าเช่าก็ไม่ยอมจายแต่นั้นแหละคือโลกคุณจะต้องการยกมาให้ดูว่าไอ้ตัวมัจฉริยะนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ การจะสลัดหรือบรรเทามัจจริยะคือความสนีออกไปได้แล้วก็อยู่ได้ น, น, นานๆเนี่ยหมายความาตัวอัปประรเจตนาเนี่ยคือดึกถึงเมื่อไหรเราก็พื่มจิตจิต น, นั้นง้จะเป็นสมบัติของปู่ญาตายายเราเห็นเมื่อไร่เราก็รู้สึกอนุโมทนาเมื่อนั้นหมายความว่า เป็นการเพิ่มบุญขึ้นภายในจิตตั้งแต่เห็นแล้วขณะที่เห็นแล้วก็หลังจากนั้นเห็นความเจริญก้าวหน้าของอาคารสถานที่ที่บรรพชนได้บริจาคไว้สละไว้หรือว่าทำไว้นึกถึงเมื่อไรเราก็เกิดดีติประมุ่เห็นไหมตรงนี้ไม่ต้องจ่ายสตางทสักบาทหน่แล้วมันก็เป็นบุญไปกุศลแล้ว แพะนั้นตัวเจตนาเนี่ยจะรักษายากและอย่างอีกกยนหนึ่งที่มันประณีตขึ้นไปสูงสุดแต่ว่ามีบุคคลทำได้ยากเพราะในสมัยพุทธกาลเองก็มีคน ท, ทำาได้เพียงหกคนเท่านั้นเองสี่สิบ้าปีที่พระพุทธเจ้าทรงประยู่มีคนทำได้แค่สี่สิบแค่แค่หก ค, คนนะฮะ นั่นก็คือเขาเรียกว่าวัตถุสัมปทาท่านผู้รับบริจาคนั้นจะต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไปหมายความว่าพระอนาคามีนั้นท่านสามารถเข้าสมาบัติได้อนิโรธสมาบัติได้กับพระอาหารหันต์ตกลงว่ามีสองผู้เท่านั้นเอง แล้วก็ปัจจัยสัมปทาคือสิ่งที่เรานำมาบริจาคนำมาสละนั้นจะต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่กอบด้วยมิชาชีพแต่ประการใดแล้วก็เจตนาทั้งสามการกล่าวแล้วคือก่อนที่ให้ขณะให้และกปหลังจากให้ประกอบด้วยปีติประโมทเป็นศรัทธาปสาทะเป็นความเชื่อความเรื่อมใสเป็นความผ่องใสเกิดขึ้นภายใ น, ในใจิตใจ และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเราให้เป็นคนแรกหลังจากพระอนาคาหรือพระอราหารันต์องค์นั้นท่านออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่การที่จะบังเอิญขนาดนั้นนี่มันยากแสนยากมันจะต้องมีพร่องในจุดใดจุดหนึ่งในสี่ข้อเนี่ยมันจะต้องมีพร่องอยู่แต่นี้ท่านเรียกว่าสัมปทาคุณคือความสมบูรณ์้วยคุณความดี ไปในจิตใจของผู้ให้ทานแล้วก็ยิ่งกันไปกว่านั้นในทานนั่นแหละมันไม่จำเป็นังต้องจ่ายสตางค์เลยนั้นก็คือการให้อภัยกันก็เรียกว่าอภัยญาทานทแน่นอนเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้ามันยุติธรรมเนี่ยมันจะง่ายแต่มนุษย์เราสำคัญที่สุดคือเรื่องยุติธรรม เรานึกดูว่าเรื่องราวมันเกลียดตั้งแต่พระรามพ ร, รักนางสีดาออกไปอยู่ปา่าถ้าได้รับความเป็นธรรมจากสังคมไม่ใช่ว่าตัวเองถูกขับออกจากเมืองแล้วมาอยู่กันสามคนเพื่อนยังมาแย่งเมียไปอีกแล้วก็มาเกิดอาลวาดมาหลอกลวงกัน มันรู้สึกไม่เป็นธรรมฝ่ายเสนาวร น, นทั้งหลายก็เห็นร่วมกันว่าไม่เป็นธรรมทศกัณฐ์ใช้วิธีหลอกนะะแต่พระรามท่นานใช้วิธีบอกความจริงฝ่าเสนาวร น, นทั้งหลาย เ, ยเห็นว่าไม่ยุติธรรมไม่ราความเป็นธรรมฝ่ายทศกัณก็ถูกหลอกนะฮะถูกหลอกว่าตัวเองนั้นถูกระแอก ไมไ่รับความเป็นธรรมคนนั้นก็เชื่อแมว่าัเหมือนกับสถานการณ์บ้านเราในเรื่องนาเกียตอันนี้ค่อนข้างยากคือหมายความมาทั้งสองฝ่ายอย่างรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีของเป็นสิทธิตามบทบัญญัติ แล้วก็ปัญหาเหล่านี้จะยากต่อการแก้ไขไม่ว่าใครก็ตามนะครไม่ว่าในชซนใดของโลกก็ตามเราก็ทํานองกับปัญหาเรื่องคือเวลนี้อิสลามเนี่ยมันเป็นโลกอิสลามหมายความว่าคนนับถือศาสนาอิสลามด้ยวยกันเนี่ยก็ถือเป็นพวกเดียวกันข่าวคราวเรื่องการเหยียเดเบียนอิสลามก็ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง อะไรที่คนนื้อตือสลามที่เป็นเผ่าซึ่งถูกขับมาจากัานบังกลาเทศมาเข้าพมา่านีเข้าพมา่าแล้วทะลุมาอยู่ที่ไทยที่เกิดปัญหาอย่างนี้มันก็กระเทือนใจเขาใน่สุดเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่รับความผิดธรรมเหมือนกันเดี๋ยวเกณฑ์ตัดสินความผินธรรมก็แล้วแต่ว่าใครใช้มาตรฐานอะไร คือนหนอันนี้เป็นเรื่องต่างชาติต่างภาษากันแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยเรื่องความไม่ยุติธรรมจะเป็นเรื่องใหญ่ฮนะให้อภัยได้ไหมมันไม่ได้อะมันไม่ยุติธรรมแต่ทีนี้ถ้าใจเราสูงขึ้นเนี่ยเราก็ต้องถือว่ากาไรใครก่อคนนั้นก็าต้องรับกรรมไปอย่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเราก็ไม่ใช้วิธีเดียวกัน เขาไม่ยุติธรรมต่อเราเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็าวางเฉยคือใช้เวีาแล้วก็ไม่ถือสาความแม้จะไม่ให้อภัยก็ไม่ถือสาความเรื่องมันก็ค่อยๆสงบได้แต่ว่าพูดได้แหละคนมันมากมันพูดไม่ได้หรือภาคปฏิบัติจริงๆมันปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องยินยอมก็ต้องยินยอมไปกัน มันยอมพวกตัวเองนั่นแหละก็เกิดจะทะเลาะกันในหมู่พวกตัวเองเองีกเรื่องยงงุ่งนเรื่องเรื่องเรื่องมนุษย์แต่เรื่องยงุ่งจนถึงก็ให้ธรรมทานเราจะให้ความรู้ให้หลักวิชาการที่ถูกต้องแก่คนทั้งหลายเราเองต้องมีความรู้คือไม่มีโมหะในเรื่องนั้น แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีเมตตาหวังดีต่อท่านเหล่านั้นอันนี้ก็อีกแหละไม่ต้องจัดสตางเหือนกันงานกิจกรรมหล่นี้เราลองสังเกตว่าแต่ละข้อเนี่ยเอาข้อจริงข้อเดียวหรือข้อทานเนี่ยมันทำได้ยากโดยเฉพาะอย่างในกรณีธรรมทานทําไมาเองพยายามติดตามคือหมุนคลื่นวิทยุก็ดูบ่อยบ่อย แต่พอหมุนจบหน้าปัดแ ล, ดแล้วก็ผิดเราต้องการฟังรายการธรรมะแล้วต้องการรู้ว่าใครเป็นคนพูดที่น่สังเกตก็คือว่าเวลานี้อย่างในสถานที่เนี้สถานีนี้โดยการดําเนินการของปุณเอเกเสรีจุกมานมันก็เป็นเทพทั้งท่านหยิบิวโต แล้วก็ของอาตมาแล้วของโรเบอร์บรญจกทีนี้ก็มีบางสถานีที่เอาเทพของหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธธาตุแล้วก็หลวงพุฒพุฒคุ ณ, ค ณ, คณาอร์ตแต่ถามว่าแล้วพระผู้ใหญ่อยู่ไรไม่ทันบ้นบ้างเหร เราเนี่ยพยายามหาฝังแต่ก็ไม่เจอเป็นว่าแต่ที่มหาจุฬานมีบ้างคุณธรรมกุศาจารย์แล้วก็ลูกจิตออกมาออกนะฮะเพราะถ้าเรามามีพระมาทำงานด้านนี้กันแพล่หลายแล้วก็ออกกันหลายๆสื่อ อย่างวนะิเนมีสถานีโทรทัศน์ช่องเกิดใหม่ช่องหนึ่งก็พยายามดูเขาอยู่มีสเตชันนะก็ดูบางรายการที่เคยฟังนะเออมันก็มีสาระแก่นสารดีนะแล้วมีหลักวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเพราะเกี่ยวกับหลักการเนี่ยเขาจะอ่านเอกสารให้ฟัง แล้วก็จะมีการวิภากควิจารณ์นั่นแหละโดยภาควิจารณ์ที่ไปเกาะยิงกับเรื่องนั้นๆเชนในคดีกฎหมายก็ไปเกาะอีกับกฎหมายอ้างมาตราต่างๆนะมันไม่ใช่พูดต่ อ, อเลื่อนลอยแต่เราจะไม่ค่อยพบกับพีทีวีในลักษณะแบบนี้ถ้าอย่างนึกว่าพวกนี้ถ้าดาเนินการให้ดีเนี่ยมันแย่งส่วนแบ่งตลาดได้เยอะ สำหรับคนที่สนใจถูกฟังทีมันรู้สึกได้น้ำได้เนื้อน่ะเป็นหลักข้าแล้วก็ก็มีเหตุมีผลหมายความว่ า, มาเรื่องเราก็ฟังเราก็รู้ที่ไปที่มาอยู่แต่บางเรื่องเราก็รู้ไป่กฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเราเทียบเคียงไม่ได้เราก็เทียบเคียงกับธรรมะเราไม่ชนักฎหมายเราไปเทียบเคียงกฎหมายไม่ได้ ก็ไม่ได้ทุกมัจจานะฮะบางมัจจาก็พูกฝังได้เพราะก็ะอ่านๆกันอยู่แต่ก็ไม่ถึงก็รอบรู้เั้นธรรมทานเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยมันชี้นำความถูกต้องคือยังชอบใจถึงคำขวัญของนังซื้อพิมฉบับหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นของพุทธสมาคม จำนังหวัดนครศรีธรรมราชทุกวันยังมีอยู่หรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่ามาเคยเห็นนานแล้วสีสิบกว่าปีแล้วก็มีคำขวัญว่าขจัดพานประสานมิตรประสิทธิธรรมนั้นเป็ น, ปนวาทกรรมที่ยิ่งใหญ่มากแล้วถ้าทำได้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งดีงามขึ้นมาเยอะ เพราะจริงขจัดผ่านประสานมิตรประสิทธิ์ธรรมมันก็โดยเนื้อหาสาระโดยผลของการปฏิบัติมันเป็นเช่นเดียวกับบัตรบรรลุบำ ร, รุงสุขหรือว่าเป็นเช่นเดียวกับเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งหมาชนเพราะจะให้หมาชนเกิดความสุขเนี่ยปัญหาประสาทต่างๆแม้แต่คนพาเนีต้องขจัด แล้วในขณะเดียวกันอะไรที่ที่จะเป็นความสุขก็ต้องเสริมสร้างให้เกิดความสุขย่าในคืนในในคืนวันที่ยี 20, ่สิบแต่ละยี่สิบนะฮะก็มีการปฏิญาณตนครับตาแหน่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วก็ได้ฟังว่า ในคําปฏิญาณเนี่ยสามคําแต่เราก็นึกถึงสมาวิยมะของพระพุทธเจ้านะคือหนึ่งพระพเจ้าจะรักษาป้องกันต่อสู้เพื่อรักษาไว้ซึ่งรัฐมนุนสามคานะรักษาก็คืออะไรคืออนุรักษณาประทาน แล้วก็ป้องกันก็คือสั่งวรประทานกับปหาหารประทานแล้วก็ปกป้องนะฮะตอดตอสู้ก็คือการทาทั้งหมดอ่ะทําทั้งป้องกันทั้งการจัดทั้งบำรุงนรักษาการจะรักษาสถาบันเนี่ยมันต้องทําครบของสัมมาปยามะ อย่าคิดว่าเออฝรั่งไปคิดตรงกับพระพุทธเจ้าได้แล้วตำรุณนี้คําปฏิญาณตัวนี้ก็บอกมีมานานแล้วเรียกว่าสองร้อยกว่าปีของเราก็เอาสามคำนี้ก็พอแล้วอย่านึกว่าเอาเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยเราจะบริหารราชาการโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามนี่ก็พอแล้วบริหารให้เป็นก็แล้วกัน เพราะวัตถุประสงค์มันอยู่ตรงนั้นแล้วก็หมายความว่าจิตเราต้องมีเมตตาเมตตาต่อประชาชนแล้วไม่โลภในผลประโยชน์ยุคไหมว่าต้องไม่มีโลภในผลประโยชน์คนคนมาอยู่ตรงนี้ที่จริงคล้ายๆจะง่ายน่ะไอ้อยากเป็นนะ่มันได้แหละ แต่ว่าการเป็นให้อยู่ในกรอบแห่งธรรมะเนี่ยมันเป็นปนัญหาภูเขาเลยในเรื่องใหญ่จนรู้สึกว่ามันใกล้ๆจะผิดหวังนะสังคมเราจะขับเคลื่อนไปยังไงล่ะในเมื่อคนไปเสดบะ บ, บุญคุณโทษไปหมดอ่ะแต่นี้ที่จริงก็ย้อนไปให้มองขนพานเนะี่ยพี่ลาบ รูปแสดงว่าคนพาณอาวิชชาเขามากตัญหาเขามากมากสองอย่าง ก, ก็จบชิดแล้วเลิกพูดเลยทีนี้ในกรณีของบัณฑิตเราจะเห็นว่าอาวิชชาท่านก็มีในขณะเดียวกันเนี่ยก็ปราบประกอบด้วยปัญหาเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าท่านเห็นโทษของอวิชชาหมายความมาอยู่ด้วยกันนี่แหละ แต่มันแยกมิตรแยกศัตรูได้แน่นอนฉันเกิดมาจากเธอแ้วเธอก็อยู่ในจิตขครื่องฉันเนี่ยแต่ เ, เวลาใดเธอเข้มข้นขึ้นมาฉันยุ่งทุกทีเลยแม้แต่เดินทางคือยังเรียกว่าเอออาวิชาเนี่ยมันยุ่งจริงเนาะวันก่อนเ้านิมนต์ไปเทศที่เมืองกาลที่จริงวัดนี้เคยไป แต่พอเอาขอจริงเนี่ยหลงสามครั้งนะเนี่ยครับตรอกปิดสามครั้งเลยเพราะอะไรเพราะความไม่รู้คําเดียดเพราะงั้นปัญหาเรื่องอวิชชาถ้ามันเข้มแล้วตัญหามันจะเข้มตามแต่พอดีบัณฑิตท่านละได้ทั้งสองอย่างนะมาความมาซุมเมตไถยทั้งสองนี่ท่านละได้ เพราะนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะท่านประพฤติปรหมจรรย์ชีวิตท่านดำเนินอยู่บนเส้นทางของอริยมรรคซึ่งเป็นสัมมามรรคในขณะเดียวกันคนผ่านแกก็เดินมันมรรคเหมือนกันแต่ว่าเป็นมิจฉามรรคก็เริ่มมาจากความเห็นผิดความคิดผิดไปเรื่อยๆผิดทั้งสุดนั่นแหละมันก็เป็นการแยกกันระวงัง ซ้ายมือกับขวามือขวายหนึ่งไปทางซ้ายมือขวายหนึ่งไปทางขวามือถามว่าโอกาสมันจบกันมีไหมมันไม่มีหรอกแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยทางโค้งเนี่ยอาจจะต้องหันหลังให้กันก็ทํานองที่เคยยกตัวอย่างแบบเจ้ า, าชายสองพระองค์ศักศีเท่าเทียมกันนะ ราชาวงศ์โกริยะกับราชาวงศ์สากยะเป็นเมืองพี่เมืองน้องอายุก็ไล่เรี่ยกันแล้วถามว่าที่เกิดมานี่มีวิชามีตันหาไหมก็มีอ่ะแต่เจ้าชาติษาเกิดหักมุมตอนสัตรุหักมุมเต็มชี้เลยเทวทั์ก็หักมุมตอน ไปคบหาสมาคมไปที่จริงก็ไม่ยด้คบหาสมาคมหรอกหรือว่าพระเจ้าชาตูเป็นเครื่องมือแทนแล้วพอท่านเริ่มทำสังฆเพ ท, ท่านเองก็จบชิ้นกันจึงการหันหลังให้กันโดยเด็ดขาดวิถีชีวิตของท่านไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งๆ ท, ที่รูปแบบท่านเป็นนักเป็นนักปฏิบัติพรหมจรรย์เพราะว่าเป็นภิกษุ แต่เราลองสังเกตว่าท่านไม่ได้อยู่กระร่องกระโเลยไม่รู้ศีรท่านอยู่ตรงไหนธรรมใดท่านอยู่ตรงไหนมันมีอย่างที่ไหนเพื่อนูมีคนเขากระรบับถือศัท์พาถามหาการเอา้าเกิดฤทธิยาเกิดตีเสมอเกิดแข็งดีเกิดฤทธิยา แล้วคิดเลิดเปิดเปิงไปจนถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าเองโมฆะมันเต็มหัวเลยเอาวิชาเนี่ยมันเต็มหัวเลยตัญหามันหน้ามืดเลยใวสุดก็จบลงที่อนันตกรรมหนึ่งสองข้ออย่างที่ว่านเดืดทำโลหิตตุประบาท ด, ด้วยทำสังกเภทด้วยเป็นคนเดียวในโลกนะฮะเมื่อลงจะหลายพันปีมาแล้วเลย ก็มีคนเดียวเท่านั้นเองแต่ใ น, นขณะเดียวกันคนระดับพระพุทธเจ้าก็มีองค์เดียวเท่านั้นเองเหมือนกันนั่นคือบนเส้นทางของพระมรดกนแล้วพระมรดกในข้อรองสุดท้ายเนี่ยคืออริมักองค์ปรประการก็สุดท้ายท่านเรียกสรุปวุโมยศาสนะพระมรดกทีนี้คำว่าศาสนานี้มันเป็นทั้งธรรมทั้งวินัย หมาความม่าการปฏิบัติของท่านเนี่ยมันยุติด้วยธรรมได้ถ้าไม่ไหนว่าอย่างไงท่านก็ไปอย่างนั้นแล้วก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตัวพรหมจรรย์เนี่ยทำให้ชีวิตของมนุษย์ประเสริฐไปด้วยจากมนุษย์เป็นอภิมนุษย์จากอภิมนุษย์เป็นเทวดาจากเทวดาเป็นพรหมจากพรหมเป็นอรุ ป, ปรหมจากอารุ ป, ปรหมเป็นประรายะ ตังแต่โซดาบันขึ้นไปก็ไต่ระดับขึ้นไปเรืเร่อยๆแล้วก็การรู้ภพรมอาจารย์เนี่ยเราจะปรารถนาความสิ้นทุกข์หรือไม่ก็ตามอะมันก็ต้องสิ้นทุกข์แหละเพราะว่าทุกข์มันมาจากกิเลสแล้วก็พรมอาจารย์มันเป็นอริยมรรคมันเป็นปฏิปักษ์ตอกิเลสสมาธิทิเข้าไปเด็ดยอดอว า, าวิชาแล้ว สมมมาสังกปะก็ไปดัดไปดัดไปตัดตัณหาแล้วผู้เรยนมักสองข้อก็จบเพล่าเพราะพวกนี้เราจะเราจะเห็นว่ามันมาจากคมมืดด้วยกันแต่สมมาทิฏติสมมมาสังกปะเขาก็สว่างด้วยกันเป็นปัญญาจิตขาด้วยกันผู้นั้นก็เป็นกิเลสด้วยกันดังนั้นเมื่อ วิถีชีวิตก็กดเดินไปตามาศาสนาพรหมจันท umm ร์มาความมันก็ทำาเหตุเป็นสมบูรณ์ทำเหตุมันสมบูรณ์ท่านก็หลุดพ้นจากทุกข์เรียกว่าหลุดพ้นจากทุกข์ทั่วปวเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงเหตุ น, นั้นเมื่อตายไปบัณฑิตย่อมไม่เข้าถึงอบายอย่างน้อยนะ่นนี้ประกันเลยอย่าน้อยว่า ไม่เข้าถึงอบายไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เข้าถึงอบายคือไม่เข้าถึงกายนี่พูดโดยสมบูรณ์นะครับพราะพูดถึงพรหมกันไม่เข้าถึงกายก็หมายความว่าไม่มีรูปขันธ์อีกต่อไปนำขันธ์แล้วนขันธ์ก็เกิดไปได้เพราะไม่มีเพราะไม่มีนามารูปอ่ะเพราะนั่นขมามรูปกายตรงเนี้ยท่านฟังลองสังเกตว่าในตอนหัวของ ปฏิจจสมบาทก็คือนามารูปในตอนท้ายของปฏิจจสมบัติก็คือชาติเห็นไหมว่านี้คือวิธีการแสดงพุ่มกันไม่ใช่การแสดงปฏิจจสมบาทอีกวิธีหนึ่งแในทําไมล่ะเพราะว่าธรรมะมันก็เป็นปฏิจจสมบัทอยู่แล้วปฏิจจสมบัติมีสายเกิดกับสายดาบสายเกิดก็ประกอบด้วยทุกข์กับสมุทัย เราเห็นว่าอย่างคนพานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสมุทัยกระทุกข์ทีนี้พอบัณฑิตมันก็มาสู่วิถีของมรรคซึ่งจะนำไปสู่นิโรธหมายความไปคนละทางกับเหตุที่เกิดทุกข์เมื่อเขาไม่เข้าถึงกายชื่อว่าย่อมหลุดพ้นจากชาติรามนาศโศกไปเทวทุกะโทมนาฏุปายาต ทนี้ปัญหาว่าตอนที่ทรงแสดงในเบื้องต้นเนี่ยทรงรับสั่งถึงสลาจัตนากับผัสสะด้วยนะฮะแต่เอาผัสสะขึ้นมาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการพูดเรื่องชะลามนะมาหมายความมาพูดมาจากตอนปลายของปฏิจจสมบัติเพราทรงแสดงผัสสะสลาจตนาสลาจัตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะ แต่วันนี้เพราะผัสสะ ม, มีสลาจตนะมันก็มีก็หมายความประการที่มีปัสสานี้แสดงว่ามีสลาจตนะแต่ในขณะเดียวกันสลาจตนะมันก็สัมผัสอารมณ์ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตเราก็พบว่าพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ก็จะสะท้อนที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมคืออะไรก็คือมงคลสูตรอสเสวนาจะบาลานะอันนี้ม่ผาระบัณฑิตสูตรเหมือนกันนะภาละบัณฑิตสูตรในมงคลสูตรมันก็เริ่มที่ผ่านกับบัณฑิตผ้าเธอต้องการจะไปสู่อุดมมงคลบทแรกที่เธอต้องทำ คือต้องไม่คบผ่านถ้าก็าผ่านละ่ะก็จบสิ้นกันเพราะพอครบผ่านแลยมันไม่คบบัณฑิตจะไม่บูชาผู้ควรบูชาจะไม่อยู่ในประเทศที่สมควรจะไม่ตั้งตนไว้ชอบเพราะไม่มีบุญที่กระทําไว้ในการก่อนราบกันมาเป็นแถวเลยการศึกษาอะไรต่างๆล้มระดีระนาไปเป็นแถวไป ขอนเรื่องการคบหาสมาคมผ่านส่วนที่เป็นนามธรรมก็คือพวกกิเลสอากาศของคนผ่านที่จริงบันดิตกับคนผ่านเนี่ยมันเป็นอาการของกิเลสกับอาการของมรรคมันไม่เป็นเองหรอกทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของเรานั่นแหละมันไม่เป็นเองหรอกแต่มันถูกเชิดด้วยกิเลส จะเรียกว่าเจตสิกธรรมเนี่ยมันก็ถูกเชิดพอถูกเชิดจิตมันก็เต้นไปตามจังหวะที่ถูกเชิดแล้วพฤติกรรมก็ออกมาเป็นผ่านเป็นบัณฑิตปัญหาว่าใครเชิดฝ่าไหนเชิดล่ะถ้าฝ่ายกุศลเชิดแล้วก็คนนั้นก็เป็นบัณฑิตฝ่ายกุศลเชิดคนนั้นก็เป็นผ่าน แต่ทีนี้ลองสังเกตว่าสภาพแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อคนมากตัวอย่างที่ชัดเจนคือพระเจ้าอาชาติตรูพระเจ้าอาชาติตรูนั้นโดยความเป็นจริงพระ ท, ท่านไม่ไปทํำปีตุฆาตนะฮะตอนที่ท่านฟังสามัญญผลสูตรจากพระพุทธเจ้าจะบรรลุมรรคผลเป็นประโสบบัติก็แสดงว่าบารมีไหนดีท่านไม่น้อย ท่านทำปิตุขาตแล้วก็ครองราชกว่าจะถูกลูกฆ่าตายเนี่ยท่านครองราชอยู่ตั้งยี่สิบเจ็ดปีนะฮะแสดงว่าบุญบา ร, รมีในดีก็ไม่เบาแม้จะทำบาปขนาดปิตุขาตยังอยู่ได้ตั้งนานแต่ปิตุขาตมันแรงเกินกำลังเพราะท่านทำลายโลกอุตรสมบัตินะ เป็นโลกุตระสมบัติายหน้าลงไปสู่นรกเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเป็นคบหาสมาคมกับคนพาลคือระเทวทัตพฤติกรรมทั้งหมดวางท่านเนี่ยมันเป็นงานชี้นำคือท่านก็เป็นคือเทวทัตเนี่ยถูกเชิด จ, จากกิเลสแล้วก็ เทวทัตซึ่งอยู่ภายใต้การบงการของกิเลสก็ไปบงการพระเจ้าศัตรูอีกทีหนึ่งพระเจ้าศัตรูก็ถูกเชิด จ, จากกิเลสที่ถูกพระเทวทัตกระตุ้นขึ้นมาเลิกก็ตเตลิดเปิดเปลืองไปใหญ่เรื่องไม่น่าเป็นเรื่องท่านก็ทําให้เป็นเรื่องขึ้นมาพ่อก็มอบุมาัให้แล้วแล้วก็พร้อมจะอยู่ในคุกด้วย ลุดระแวงนะ่ะยินดีที่จะอยู่ในคุกโดยปกติสุดอา้าวพระเทวทัตเกิดไปยุวะต้องฆ่านะต้องฆ่านะเรียจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเปลี่ยนพระไทยขึ้นมาแล้วก็แย่งราชสมบัติหมาปะพิจาย่นะอา้าวอันนี้ก็เชื่อทำจนกลายเป็นปิตุคาดทีนี้ถ้าท่านเพียงแต่จับขังนะ่ะไม่แน่นะะ เพราะว่าตอนที่ท่านได้โอรสอุทัยพัฒนเกิดเนี่ยถ้าไมคุณพ่อท่านก็ปล่อยพ่อได้มีพ่อให้ปล่อยแต่วันนั้นพระเจ้าพิบิษฐารที่วงคดพอดีพระเมสีของเจ้าใจาพระเจ้าชาตรูก็ประสูตรพระราชโอรสพอดีบอกคิดจะปล่อยพ่ออา้าวพ่อตายไปแล้วเราก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมา อันยีสิบเ็ดปีนะะนี่คือตัวอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดว่าวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะจิตมนุษย์อย่างเดียวหรือเฉพาะเจตสิกที่มันเกิดขึ้นโดยการตึกนึกของมนุษย์อย่างเดียวแต่มันมีแรงกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกทั้งเป็นคนเป็นสถานการณ์ต่างๆเป็นเหตุการณ์ต่างๆ แล้วในที่สุดเคนก็สูญเสียการทรงตัวกำกับควบคุมตัวเองไม่ได้แต่พอพอถึงบัณฑิตเนี่ยท่านก็มีภูมิคุ้มกันข้างในสูงภูมิกานทานกิเลสสูงคือหมายความว่าพลังแห่งธรรมที่ท่านประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีพลังสูงเจโรธคือกิเลสก็เข้าไปสู่จิตท่านไม่ได้ แล้วเมื่อท่านไม่เข้าถึงกายก็ gera, ชื่อว่าย่อมพ้นจากชาติเทรามอนโศกะปิเทวทุกโทมาราปายะหมายความว่าตรงนี้มันเป็นที่จริงเป็นนิโรธสายดับเขาเรียกว่านิโรธทวารแต่เราสังเกตว่าทรงพูดถึงอดีตเหตุคือวิชาแล้วก็ปัจจุบันเหตุคือตัญหาซึ่งก็เป็นสมุทัยดดวยกัน ในขณะเดียวกันก็ทรงพูดถึงอนาดคตผลเพราะว่าผู้ชีวิตหลังหลังจะตายเราคือชาติทราโมนะนะชาติชรามนะต้องเกิดก่อนนะจึงแก่เจ็บตายชาติชราโมนะโศกกระเพ ท, ทุกขโทมนั้นถปกายาเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากทุกอันนี้เป็นความแปลกกันอันนี้เป็นอธิบาย อันนี้เป็นความต่างกันของบัณฑิตกับคนผ่านจุดสำคัญอยู่ตรงไหนดูที่ประพฤติพระม a รย์หรือไม่ประพฤติพระมรร a ์ทีนี้พระม ajar ย่ยาจไปติดใจนะฮะว่าจะต้องเป็นพระเท่านั้นเป็นเลนเท่นั้นไม่ใช่เราพระม a รย์มันครอบจักรวาล ยังที่บอกว่าทานทานการให้ทานก็ดีการประพฤติตนหล่อน้อมถ่อมตนต่อบุคคลอื่นก็ดีการช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ชอบก็ดีสีนห้าก็ดีสินแปดก็ดีพรมิหารสีก็ดีไม่ทุนนิรัษตัการงดเว้นมีเพศสัมพันธ์ก็ดีแล้วก็เลื่อยมาที่อริยรมรรคจนถึงศาสนาพรทธ ก็หมายความมาที่ท่านสาชนประพฤติปฏิบัติอยู่ในแง่ของความเป็นจริงก็อยู่ในตัวพรหมจารข์ข้อใดข้อหนึ่งนั่นแหละเพราะเป็นวิถีแห่งมักษัตริย์เป็นหนทางอันประเสริฐที่จะนำคนไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ เรจะหลุดพ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรจนถึงทั้งปวงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผลของการประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญทุวท่ามทั้งหลายถึงทําจากมหาวิทยาลัยศรีวิทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี